กราบนมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะคะในชั้นละไมค่ะหรือเพื่อนเพื่อเรียกว่าตะนะคะก็มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์แล้วก็ครั้งนี้นะคะก็เป็นความเมตตาของพระอาจารย์แล้วก็เป็นความการุณาของเจ้าของสถานที่นะคะออของอาจารย์พระพาภัส นะคะและครอบครัวที่เปิดโอกาสให้เราได้มาร่วมครั้งนี้นะคะสำหรับการปฏิบัติธรรมครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่ได้นะคะมีความรู้สึกตัวที่ชัดเจนขึ้นนะคะเพราะว่าในแต่ละย่างเท้าที่ที่ก้าวไปเนี่ยเราจะรู้สึกตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้ดูใจของตัวเองดูอารมณ์ ละเอียดขึ้นนะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมีความรู้สึกว่าพออะไรที่มันติดใจเราอยู่พอคิดขึ้นมาไอความไม่พอใจมันก็ยังเท่าเดิมอยู่นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยรู้สึกพอเราเจอสิ่งนั้นมันก็จะลดลงเป็นลำดับนะคะแล้วก็ที่ได้จากคราวนี้เนี่ยคือ อาจจะเป็นเพราะเราเพ่งไปนะคะอย่างอย่างเมื่อวานเนี้ยอากาศมันร้อนก็ร้อนเอ๊ะเราก็มาดูความรู้สึกว่าเราร้อนนะคะพอพอเราดูทําไมมันยิ่งร้อนใหญ่เลยเหงื่อเหงื่อนี่ออกเต็มตัวเลยนะคะก็สงสัยก็เลย เ, เรียนถามพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าเป็นเพราะเราเพ่งเกินไปนะคะ เราเราดูสิ่งนั้นเกินไปเพราะฉะนั้นก็จะให้แก้โดยวิธีการมองออกไปข้างนอกนะคะดูอย่างอื่นบ้างเพราะฉะนั้นก็ลองลองทำอย่างที่พระอาจารย์นแนะนําอีกนะคะก็ก็ดีขึ้นนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ประภพัฒอีกค ร, ครั้งหนึ่งนะคะที่ให้ความการุณานะคะที่เราได้มาอยู่ ดินแดนแห่งนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณครูอาจารย์ที่ตลอดจนเจ้าหน้าที่นะคะที่ดูแลเราอย่างดีนะคะถึงแม้ว่าคอร์สนี้จะเป็น <c oughs> คอร์สเฉพาะของครูที่นี่แต่เราก็ได้มีโอกาสอย่างดีนะะก็ต้องถ้ามีคนถามกลับไปถ้ามีคนถามว่าไปไหนมาก็จะตอบว่า ไปสวรรค์มาค่ะขอบอคุณค่ะ